มหาวิทยาลัยเขาก็สอนให้พวกนักศึกษาทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เห็นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสานาจะเข้ามาแล้วจะรู้จักทั้งหมดอย่างนั้นเหรอก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังผู้ที่ท่านไรศึกษาเข้ามาอยู่ข้างในเข้ามาอยู่เป็นสู่วัดวาศาสนายอย่างเป็นพระสงฆ์อย่างหลวงพ่ อ, อย่างเนี่ย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 เข้ามารักษาศีลอุโบสถในวัดป่าเชตตะวันพระองค์ก็บอก อ, อการรักษาศีลอุโบสถนี่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตั้งแต่ดึกตำบันตั้งแต่ก่อนเก่า เ, ออเคยมีมาแล้วการรักษาศีลอุโบสถนีออ่บางทีรักษาศีลอุโบสถแล้วได้ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็เคยมีมาแล้วในอดีตการ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 พระเจ้ามิถิลาก็นั่งอยู่ในในที่ประชุมอํามาทั้งหลายเออเราไปแล้วนะนะมีโอกาสแล้วเราจริงจะกลับมาเอาพวกท่านทั้งหลายบริหารประเทศชาติไปนะ เ, เราจะไปดูสวรรค์ก่อนต่นนี้นก็พอขึ้นไปบูสูบนชั้นสวรรค์ก็เทวดาทั้งหลายก็ยินดีอนุโมทนาเห็นพระเจ้ากรุงมิถิลาขึ้นไปจากนั้นพระเจ้า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 พระเจ้ามิถีลาขึ้นไปอยู่สวรรค์พออยู่ไปนานถึงเจ็ดร้อยปีมีความร้อนใจมีความขาวกระวายจะเข้าไปหาพระอินทร์โอตะก่อนข้าพระองค์ขึ้นมาก็มีความสุขใจสุขกายสบายใจเป็นอย่างมากแต่พอมาอยู่เข้ามาแล้วเนี่ยมาพอมา ถ, ถึงจุดนี้เนี่ยทำไมข่าพระองค์จึงมีความทุ่หลนทุลายอย่างนี้พระอินทร์บอกว่านั่นแหละพระพระองค์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 ไม่รับอ น, นิสงส์ที่พระอินทร์แบ่งให้ในข่าวที่อยู่สวรรค์นี่แหละอันนี้พระพธองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการรักษาสินอุโบโโสถนี่ไปสู่สวรรค์ได้นะอนาณาสัตยาติโยมท่านพูดที่ท่านตรัสไว้ที่วัดเชตตะวันมหาวิหารนั่นว่าีเลนะสุขติงยันติพูดที่จะไปสู่สุขติได้เพราะสินีเลนะโพคสัมปทา